อนาปติวานภิกษุต่อบไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ364 1. ้ิภิกษุสร้างเงื้อมผามีประตู2อภิกษุตกแต่งถ้ำสามภิกษุสร้างกุฎีหญ้า4ีภิกษุสร้างกุฎีเพื่อภิกษุอื่น5้ภิกษุสร้างอาคารนอกจากนั้นยกเว้นอาคารที่พักของตน6กภิกษุวิกลจริต7จภิกษุต้นบัญญัติ กุติการศิกขาบทที่6จบ